ฟังที่เคารพค่ะติดตามรอคอยกันมากว่าเอ๊ะความเป็นอยู่ของพระพุธองของเรานั้นจะเป็นอย่างไรอีกนะได้ฟังในรายการนี้เป็นพุทธประวัติที่ตรัสเล่าไว้เองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยฟังกันมาก่อนก็เป็นจํานวนมากทีเดียวโดยความปรารถนาดีจากพระพบูบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศุดรนธานีซึ่งกําลังจะมาพบกับเราเพื่อเล่าต่อต่อไปนี้ค่ะนวัสนการค่ะทั้งค่ะเจริญพานค่ะ ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เดี๋ยวฉันก็ลืมไปว่าเม <c oughs> ื่อวานเกินเอาไว้ว่ามีคนได้สอบถามไปถึงท่านอาจารย์ใช่ไหมคะว่าพอฟังดิฉันเล่าให้ฟังว่าในบางคราวเนี่ยใช้การบันทึกเสียงถามว่าทําไมเสียงถึงดีอ๋อก็เพราะใช้ไมโคร โ, โ, โ, โฟนดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็เทคโนโลยีวันนี้มันก้าวไกลนี่ขนาดประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไม่เต็มรูปแบบถูกไหมคะใช่ใ นี่ถ้าเต็มรูปแบบไปโลกเข้าไปกี่จีกันแล้วคะตอนนี้โอ้ย 4G 5G แล้วมันะเป็นยังไประเทศไทย 3G ยังไม่ไม่มั่นคงนะคะไม่เป็นไรค่ะเราคอยแล้วเราคอยแบบคนมีธรรมเนี่ยไม่ไม่กระตุ้มอืมสบายใจค่ะนิมนต์ท่านเข้าถึงพุทธประวัติเลยดีไหมคะใช่ก็วันนี้จะพูดถึงความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ากเา็เรื่องของ เราพูดถึงเรื่องการรับประทานอาหารแนะการเสวยอาหารรับประทานอ า, ารครบฉันของพระเจ้าไปแล้วนะการนอนก็พูดไปแล้วนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นพระเทวทัตเนี่ยได้เอาเอาหินใช่ไหมกลิ้งทับแต่ว่าไม่โดนแล้วก็สะเก็ดหินเนี่ยมาโดนก็เรียกว่าปลายนิ้วเท้าของพระเจ้าอยู่พระเจ้าก็เลยไปนอนพักนะมีสติสัมปชัญญะนอนสีหแยกใย่าอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยก็เลยเข้าไป เย่อเยยกล่าวคถาเย่ะเย่กับพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยนี่มานอนอะไรอยู่คนเดียวในที่แบบนี้เอาแต่นอนเอาแต่นอนไว้อย่างนั้นไปเย่อเย่พระพุทธเจ้าน<ๆ>ะพระพุทธเจ้าก็บอกให้ฟังบอกว่าเออเราไม่ได้นอนด้วยความซบเซาหรือว่าเศร้าโศกนะแต่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะแต่เมื่อเหมือนคนอื่นที่ยังมีตัณหามีความดิ้นรนอยู่เนี่ยนอนอยังไงก็ไม่เป็นสุขนะเราแม่ว่าจะนอนหรือจะนั่งหรือจะยืนอยู่เนี่ย ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นะมีความเอนดูโลกอยู่ก็จึงบอกให้ทราบว่าถึงแม้ผู้ชมพระองค์เนี่ยนะจะหลับหรือจะตื่นเนี่ยก็ยังเป็นผู้เอนดูในสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วก็มีลักษณะของความเป็นสัมมาสัมพุทธะทั้งในขณะที่ทําหน้าที่แล้วก็ไม่ทําหน้าที่คือทําหน้าที่เนี่ยหมายความว่าต้องกล่าวสอนบอกสอนอะไรต่างๆใช่ไหมในขณะที่ไม่ทําหน้าที่ก็คือในขณะที่ไปอยู่ป่ารูปเดียวอยู่สบายอยู่อย่างเนี้ย ก็ยังเป็นสมาสารพุทธเจ้าอยู่ตลอดอันนี้คือปารบเหตุที่มารมานันก็คือมานคนเดียวกันเนี่ยนะมารูปเดียวกันเนี่ยมาในที่นี้คิดว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นปริมะตะสวัสดีนะอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดะจะมีอยูอ่ภูมิหนึ่งที่เป็นภูมิของมาร<ฮ>แล้วก็พุทธเจ้าก็เลยพูดถึงมารูปเนี้ว่าไปสร้างปัญหาในปรมโลก ในการที่ให้พรหมเนี่ยมีความเห็นว่าตัวชาตเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ทําให้เกิดความเจริญขึ้นะอะไรต่างๆขึ้นเป็นผู้ที่เที่ยงแท้แน่นอนค่ะพ <Okay. S 1> ระพุทธเจ้าก็เลยไปชี้แจงอตอบปัญหานี้กับพวกพรหมใ น, นด้วยเรื่องของเกี่ยวกับในพรหมโลกถึงสรุปว่าทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้ใจมีอยู่คือไม่ได้สอนก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ะจะสอนก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ค่ะ <c oughs> ประการหนึ่งในเรื่องของพุทธประวัติก็คือว่ า, ามีพรามรูปหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวัว14ตัวหายไปหมดนะข้าวในไร่ก็ไม่มียุงฉางก็มีแต่หนูวิ่งไปวิ่งมาลูกนี่ก็เป็นเป็นไม้นะตัวหลานของลูกนี้ก็เป็นโรคแล้วก็โอ้ยมีแต่ความทุกข์เนะจ้าหนี้ก็มาทวงให้ใช้หนี้นี่เป็นพรามนะ คุณเจ้าเขาบอกว่าพระองค์ไม่มีทุกข์พวกนี้เลยนะเพราะเพราะว่าไม่มีทรัพย์สินพวกนี้ก็จึงไม่มีทุกข์นะแล้วก็เป็นผู้ที่นอนได้อยู่อย่างหลับเป็นสุขนะไม่ว่าจะราตรีอันเป็นในเดือนฤดูหนาวนะหิมะตกแล้วก็ถึงแม้พื้นดินจะคมขุ ข, ขระเพราะว่ารอยเท้าโคเหยียบคือหมายความว่าตรงนี้หมายความว่าเวลาอย่างที่วัดป่าดอนไชยโศกเนี่ยนะคุณยมเติยวมันจะเป็น ม, มีมีเส้นทางหนึ่งที่เป็นทางเกวียน เวลาที่ฝนหยุดตกแล้วเนี่ยแดดแรงๆเนี่ยเวลาโคเขาเหยียบไปเนี่ยมันจะมีพื้นดินมันจะขึ้นมาเป็นแหลมๆเพราะเป็นรอยเท้าโคนะถ้าเราเดินไม่ดีเนี่ยเราก็จะเหยียบพื้นตรงนี้เราก็จะเจ็บได้นะโอ้ไม่มถึงหลังจากที่แห้งแล้วแข็งแล้วใช่ใ ช, ใช่แห้งแล้ะแข็งแล้วก็คือจะเป็นในท้ายของฤดูฝนมันจะมีดินเป็นแบบนี้มีอยู่แล้วก็ใบไม้ ต่างๆอะไรก็เย็นในขณะท้าย้อมน้ําฝาดเนี่ยก็ยังเป็นของเย็ น, นแต่พระองค์เนี่ยก็ยังนอนหลับเป็นสุขด้วยความที่ไม่มีไม่มีมมราคาโทสะโมหะแต่ว่าถ้าใครคนไหนนะนอนอยู่ในเรือนที่ฉาบทาอย่างดีแล้วไม่มีรูรั่วให้ลมผ่านเข้ามีหน้าต่างปิดสนิทประตูปิดสนิทแต่ยังนี่โหเป็นตั้งขึ้นมาเป็นบัลลังก์ลาดด้วยผ้าขนสัตว์สีดํามีหมอนสีแดง นะมีเครื่องหนุนอย่างดีเนี่ยแต่ถ้าใจยังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังอยู่งั้นะ่ะไม่มีความสุขนะแต่พระองค์มมไม่เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็พูดถึงที่นั่งที่นอนนะของพระองค์เนี่ยว่าที่สูงใหญ่เป็นทิพย์เนี่ยเป็นของพรมเป็นของอริยะเนี่ยเป็นยังไงนะพระเจ้าก็พูดถึงอ่ะรับประทานอาหารเสร็จละเดินมา จะนั่งละออมีอะไรวัสดุอยู่ในที่นั้นจะเป็นใบไม้หรือว่าเป็นพวกฟางอาหามาทำมารองเป็นที่นั่งแล้วก็นั่งนั่งหรือนอนเนี่ยถ้าอยู่ในสมาธิขั้นที่1นึ4เนี่ยถ้านั่งอยู่ที่นั่งตรงนั้นก็เป็นอัสนทิพย์นะถ้ายืนอยู่ตรงนั้นก็เป็นที่ยืนอันเป็นทิพย์ถ้าเดินอยู่ที่เดินนั้นก็เป็นจงกรมทิพย์นะถ้านอนอยู่ก็เป็นที่นอนอันเป็นทิพย์นะนี่คือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันเป็นทิพย์ที่พระองค์มี ก็คือลักษณะของการอยู่ในสมาธิตลอดนี่ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นพุทธวจนะที่สอดคล้องกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยโอ้ยสบายใจมากเป็ น, นทิพย์หมดแล้วก็พูดถึงวิหารธรรมที่พระองค์อยู่ตลอดอย่างมากเนี่ยก็คือพูดถึงอานาปานสติ อย่างหนึ่งละเมื่อกี้ที่เราได้พูดมาใช่ไหมมาในคราวนี้พระองค์พูดถึงอีกในยัดหนึ่งนัะก็คือเรื่องของสุญญาตาวิหารคืออยู่อย่างว่างๆสุญญาตาในแปลว่าว่างนะแล้วก็วิหารแปลว่าเครื่องอยู่นอกจากอยู่ด้วยอนาปนาสติแล้วก็ยังอยู่ด้วยสุญญาตาวิหารบางทีพระุทธเจ้าก็พูดถึงอนาปนาสติเนี่ยก็คือสุญญาตาวิหารก็มีเหมือนกันในะอยู่ว่างๆอย่างเช่นมาก เราไม่ต้องทําอะไรอย่างสมมุติเราทํางานมาเหนื่อยแล้วทั้งปีใช่ไหมบางคนไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ไปทําอะไรล่ะก็ไปอยู่ว่างๆนะไม่ต้องไปวิ่งขึ้นวิ่งลงมากคือถ้าใครจะไปเที่ยวที่มันรถผลมากก็จะไม่ชอบใช่ไหมก็จะไปเที่ยวแบบรีสอร์ทอยู่ว่างๆตื่นใจสายอย่างเงี้ยลักษณะนี้โดยการที่อยู่ว่างๆว่างกันเถอะแล้วก็ตัวพระองเองนะนอกจากอยู่ว่างๆ อยู่คนเดียวว่างๆอย่างนี้แล้วเนี่ยคือในยักของทางด้านร่างกายใช่ไหมแม้ทางจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่บางครั้งเนี่ยผูว้วิชาบอกว่าเราพูดอยู่กับใครนะในแสดงทำอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ด้วยสุญญตาวิหารเหมือนกันอืมอก็เข้าใจไหมหมายความว่าหมายความว่ า, วาจิตเราก็ว่างสบายนะเราก็ไม่มีความกังวลใดๆนะเราก็กล่าวธรรมะอยู่ก็มีอืค่ะ จะแตกต่างไปจากคนธรรมดาที่ว่าถ้าสนทนาอยู่กับใครบางทีก็จะจิตใจก็ดื่มดาวนเวียนอยู่กับเรื่องที่สนทนาคิดนั่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็จะไม่เป็ น, อ ย, นอย่างนั้นถูกนะคะ mm hmm. ก็เป็นความแตกต่างอย่างยิ่งเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพุทธประวัติส่วนเรื่องของ อ, อริยสัจสี่ก็คือ mm hmm. เรื่องของความดับไม่เหลือของทุกอยู่ตอนนี้ความดับของตัณหา เราพูดถึงว่าไอสิ่งที่ไม่มีอะไรปรุงไม่มีอะไรแต่งเนี่ยมีแน่ล่ะเพราะว่าสิ่งที่อะไรปรุงอะไรแต่งก็มีค่ะ ท, ทีนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนเกี่ยวกับเรื่องนิพพานไว้อย่างนี้บอกว่านิพพานของคนตาบอดก็มีนะคือคนตาบอดเนี่ยยังไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาก็คิดว่าอ๋ออันนี้เป็นนิพพานเนี่ยเพราะว่ามีมีพราหม์องค์หนึ่งมาพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้บอกว่า ข้อที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าลาบทั้งหลายเนี่ยมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะแล้วก็พระามงนี้เขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยลาบทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็เคยได้ฟังมาจากปริพาชกคนอื่นเหมือนกันน ะ, ะซึ่งบัดนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็มีเงินละก็ถือว่าไม่มีโรคตัวเขาก็ไม่มีโรคละก็ถือว่าเป็นนิพพาน อย่างนี้นะเป็นความเข้าใจผิดใช่เป็นความเข้าใจผิดของเขาแซึ่งในเนยะที่พุช่าพูดถึงตรงเนี้ยก็คือเรื่องของความไม่มีตัณหาแล้วก็เราได้เคยยกตัวอย่างของคนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมไม่เห็นผ้าขาวผ้าสีอะไรต่างแต่ว่ามีคนมาหลอกก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันเราก็ถูกหลอกมานะด้วยจิตถูกหลอกมาด้วยคาพูดของคนอื่นโดยที่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่ ไม่มีโรคเนี่ยคือไม่ต้องมาวิ่งวุ่นวี่วุ ğini, ว่นวายไปตามความเปลี่ยนแปลงของขันทั้งห้านี่ชื่อว่าไม่มีโรคนะคน <Netherlands. S 1> ที่ยังต้องวุ่นวายไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันทั้งห้าเนี่ยคือชื่อว่าคุณมีโรคอยู่อ่คื อ, อยังต้องเกาอยู่อ่ะต้องเกาตามการเปลี่ยนแปลงของเขาเหมือนยุงกัดน่ะยุงกัดเราก็ต้องเกาอย่างเงี้ยแหมมันถ้าหา ย, ยุงกัดเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าไม่มีโรคนะคือการรับรู้ของเราถูกต้องค่ะคือความหมายของโรคนี้ มันเป็นโรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยโรคที่อาการหนักที่สุดถูกไหมคะโรคที่โรคเหมือนไม่มีโรคแต่มีโรคใช่คี่อาจารยมาเคยบอกคุณสรนสนีพูดถึงว่าเราเนี่ยเป็นโรคจิตอยู่แตถ้าเรายังอยู่ในอํานาจของกิเลสอย่างเงี้ยโกรธบ้างถ้าโกรธนะนั่นแหะคุณเป็นโรคจิตแล้วคุณเป็นโรคแล้วนะคนอื่นเขาด่าเราเราโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องผิดปกติแล้วอืมค่ะจิตที่ดีๆเนี่ยเขาไม่โกรธกัน นั่นแหละโอ้อย่างนั้นเหรอคะฟังดูแล้วแหมน่ากลัวนเนี่ยเราเคยคิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสไปปหลังคาแดงแน่ฟังท่านพูดแบบนี้อยู่ <c oughs> บ้านหลังคาเขียวยังเป็นหลังคาแดงเลยถ้ายังโกรธอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะ <c oughs> ยังเป็นถูกไฟเผาอยู่ค่ะ <c oughs> ทีนี้อ่าพูดถึงเรื่องอริยสัจสีต่ออีกนิดหนึ่งก็คือว่ า, าเคยเปรียบเทียบนะว่าความที่เป็นนิพพานเนี่ย พระองค์ก็ไม่ได้ยึดถือนะเพราะว่าบางคนเนี่ยตรัสรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ยังมีความยึดถือว่าสิ่งนั้นจะจะเป็นของเรานะซึ่งผู้เช่าก็ได้เตือนเอาไว้ว่าคนที่ยังมีความยึดถือเนี่ยจะปฏินิพพานไม่ได้นะคือไม่เพลิดเพ ล, เพ ล, เพ ล, เพลินไม่พร่ำสรรเสริญในความเป็นนิพพานนั้นซึ่งอันนี้เตือนเหมือนกับว่าอย่างสมมุติในสมาธิอย่างเงี้ยคือพวกฤๅษีสมัยก่อนเนี่ยมีสมาธิแก่กล้าเนี่ยเขาก็เลยจะมายึดถือว่าเอ๊ะ อสมาธิอย่างเงี้ยเป็นของฉันอันเนี้ยแหละสูงสุดละสบายใจละไม่มีอะไรจะมากวนได้ถ้าคุณยังยึดอยู่นะแต่นั่นไม่ใช่นิพานนั่นไม่ใช่นิพานที่สูงสุดนะนะแต่เป็นนิพานของธรรมดาธรรมดาดางนั้นถ้ายังมีความยึดถืออยู่ก็จะปรินิพานไม่ได้แล้วก็เคยเปรียบกับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำเป็นช่างทารถนะให้แล่นไปถึงนิพานได้นะเปรียบเหมือนกับสตรีระ ยนคือกายเราเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นรถคันหนึ่งนะที่มีอยู่4ี่ล้อมีอยู่4ล้ อ, ม, อ, อมีประตูอยู่9ประตูนะเป็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะประกอบด้วยความโลภนะความเกิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพูดถึงเปรียบเทียบกับคนนะสล้อนี่คือธาตุสดินน้ําไฟลมนะประตู9้าประตูก็คือทวารทั้ง9้านะตา2หู 2. จมูกสปาก1แล้วก็ทวารหนักทวารเบา ของไม่สะอาดก็คือพวกผมกมเล็ดฟันหนังพวกเนี้เค <c oughs> ยเปรเียบอย่างนี้แล้วถ้าแน่นไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะละถอนอวิชชาได้ก็จะไปถึงที่ที่เป็นนิพพานได้ อ, อันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ฉันอยากจะขอหยุดตรงนี้เลยได้ไหมคะเพื่อที่จะย้ํากับท่านฟังทั้งหลายว่าวันนี้อริยสัจสี่ในส่วนที่ท่านเป็นบุญได้เล่าให้ฟังมีคําว่าสรีระยนสรีระคือร่างกายยนก็คื อ, อ เคืงยนต์กลไกใช่ไหมคะที่มันจะพาเราไปสู่นิพพานคือตัวเราเองนั่นเองที่มีสี่ล้อน่าจับมากสี่ล้อคือาตสี่ดินน้ําไฟลบอืมค่ะมีประตูคือถาวรทั้งเก้าเก้าประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดคือพวกขนผมขนเล็กฝนหนังแหละคะ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วด้วยด้วยสรีระยนต์อันเนี้ยเครื่องยนต์อันเนี้ยยานอันเนี้ยที่เรานั่งอยู่จะพาเราไปนิพพานได้เห็นไหมคะ ไปนิพานไปทางไหนไม่ต้องไปหายานไกลเลยนะคะใช้ใช้ตัวเองเนี่ยไปวนนี้ก็คงจะให้พิจารณาไข่ครวรอยู่ก่อนว่ายานมีแล้วจะไปได้อย่างไรลองบอกอตัวเองสิส่วนถ้ายัางคิดไม่ออกก็ฟังต่อไปเรื่อยๆท่านภบูลจะมาพบกับเราพรุ่งนี้พร้อมๆอกับท่านม้านะคะใชาๆค่ะวันนี้นามศึ ก, การขอบพระคุณคะ<ช>่ะท่านฟันค้าผ่านไปนะคะสําหรับครับไยบูลเนี่พี่ปุณโญ จะวป่าดอนหายโสดอนธานีซึ่งวัดนี้มีหลวงพ่อดออรสะอาดเป็นท่านเจ้าอาวาสก็กำลังจะมีการทอดกระถินในวันที่23ตุลาคมวันปิยะมหาราชใครสนใจที่จะไปทอดกระถินที่นั่นก็เชิญกันตามอธัธยาศัยนะคะส่วนรายการของเราเราประกาศทำให้กับท่านเป็นประจำเราเรียกว่าเป็นการประกาศสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หรือว่าพุทธวจนะค่ะ ติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะที่เ m 1 0 6ร้อยหครอบครัวข่าวและ ว, วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พุทธวัส ส, สดีค่ะ